แปดปฐมทุตตะโทสะสิกขาบท 15. ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครืถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเมติยะและพระภุมมะชกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเมติยะและพระภุมมะชกะใส่ความท่านพระทัพพระมลบรด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลในปฐมทุทธะโทสะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐาน